ทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุเมติยะและพระภิกษุภุมมชกัดใส่ความทัพพระมลบุรด้วยสีลวิบัติที่ไม่มีมูลจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าครั้นทรงตำหนิแล้ว และทรงแสดงธรรมมีกระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงให้สติวินัยแก่ทัพพระมลบุทพูดถึงความภัยบณ์แห่งสติแล้ว